ก็ขอจเจริญพรพุทธบริษัททั้งหลายนะีที่ตั้งใจมาศึกษาแล้วก็ต้องการที่จะฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในวันนี้ได้มีโอกาสที่จะมาสรุปใจความหรือกล่าวเพื่อให้พวกเราทั้งหลายได้เห็นคุณของพระพู้มีพระภาคเจ้าในวาระที่ทางชมลมพุทธคุณได้มีการ จัดให้มีการอ่านคำพีอัตกราแล้วก็คำพีดีกาวัตถุประสงค์ของทางชมลมและผู้ที่มาอ่านเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานั้นมีความตั้งใจก็มาเล่าให้ฟังหลายครั้งเมื่อฟังแล้วก็อนุโมทนาในกุศลละศรัทธาที่มีความมุ่งมั่นในอันที่จะประกาศพระธรรมคำสอนของพระพภาคเจ้า ให้กว้างไกลเข้าสู่กระแสของจิตใจของพุทธบริษัทโดยท่วนหน้าถ้ามองดูในชั้นของคำพีชินาลังกาละในคำพีนี้ผู้แต่งนั้นมีนามว่าพระพุทธรักิตาจารย์เป็นชาวโรหนะชนบทในเกาะสิงหนผลมีชีวิตอยู่ในช่วงพุทธศตรวรรษที่17ท่านพระเถระท่านเป็นผู้มีความรู้มีความเชี่ยวชาญ ในคำภีภาพพิธรมปิดกอย่างมากและยังเป็นอาจารย์สอนของพระภิกษุทั้งหลายที่ว่าพระพุทธรักขิตาอาจารย์รูปเดียวกันนได้แต่งคำภีชินารังกาและอัตกถาแล้วก็ชินารังการละดีการนั้นท่านกล่าวตามคำของอาจารย์ผู้แต่งคำภีจุรคันธวงศ์ท่านได้ศึกษาสอบถามไตรตรองนวังขัศนตุศาสตร์คือพระไตรปิดก ในชั้นของพระวินัยยปิดกพระสุตตันตปิดกและพระวิธรรมปีดกและมีความฉลาดในคำพีอัตถกถาและดีกาอย่างกว้างขวางกล่าวไว้ในคมภีร์ชินารังกาละทั้งอัตถกถาและดีกาเป็นการพารณนาเพื่อให้พุทธบริษัทนั้นได้เห็นคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าทางชมลมทั้งคณะผู้ที่จัดทมปารบให้ฟังว่ามีความปรารถนาอยากจะให้ชาวพุทธทั้งหลาย ได้มีจิตใจที่ตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรยัยจึงได้เลือกเฟ้นผลงานที่ท่านพระพุทธรกิตาจารย์ซึ่งเป็นขุนคัคงเก็บเครื่องประดับคือพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าใส่ไว้ในพระอบหอมคือคำพีชนาลังกาละฉะนั้นขุนคัคงที่เก็บเครื่องประดับของพระเจ้าจักรพรรดิใส่ไว้ในพระอบแก้วชั้นใดแม้พระพุทธรกิตาจารย์ก็เป็นปดุดขุนคัคงเก็บเครื่องประดับ คือเก็บคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าในส่วนของพระจริยาคุณซึ่งบําเพ็ญทานบารมีศีลบารมีเนคขมาบารมีปัญญาบารมีวิริยบารมีคันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีและเวขาบารมีซึ่งบําเพ็ญอุปบารมีสิบบารมบัตลบารมีสิบอย่างยาวไกลและพลานาพัสรีลักคุณของพระทเจ้าซึ่งประดับไปด้วยมหาปุริสลักษณะ 32ประการและอนุพ ย, ยัญชนะ80แล้วก็พลนาพระพุทธคุณซึ่งประดับไปด้วยพุทยาน14เวนิกระทำสเวสาลัชยานสีพระทศพลยาน10และสรุปลงด้วยอสธทรณยานหมีอนาวรณายานเป็นต้นสรุปลงที่พระสพันยุตยานในครั้งนี้จึงต้องขออนุโมทนาทางชมลมและคณะผู้ที่ร่วมงานทั้งหลาย ที่น้อมใจในการที่จะอ่านคำพีนี้ถวายเป็นพุทธบูชาท่านระบุชื่อในบุคคลที่แต่งคำพีว่าพระพุทธรักขิตาจารย์ในฐานะที่กล่าวในเรื่องนั้นๆพระพุทธรักขิตาจารย์ท่านได้ประกาศตนขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะจนกว่าจะบรรลุนิพพานว่าข้าพเจ้านั้นขอถึงว่าผู้มีพระภาคผู้ทรงบำเพ็ญพระบารมี ท่านตั้งความปรารถนาต้องการจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตว่าข้าพเจ้าจะทำการบริจาคห้ประการอันเป็นทางแห่งพระโพธิญาณและจะตัดกิเลสเอาชนะมารทั้งห้าเพื่อจะเป็นพุทธเจ้าในอนาคตถ้ามองตรงนี้คำพีนี้จึงน่าสนใจตรงที่ท่านพระพุทธลักิตาจารย์ท่านเป็นผู้มีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัยอย่างแรงกล้า ตัานตั้งจิตความปรารถนาว่าด้วยบุญทั้งหลายด้วยการบูชาทั้งหลายและด้วยความสํารวมทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าได้กระทําแล้วในอัตภาพนี้และในอัตภาพก่อนขอให้ข้าพเจ้าพึงเป็นผู้ที่น่ารักในทุกๆพบนั่นคือข้อแรกที่ท่านตั้งอัตยาใัยตังในเรื่องของการตั้งความปรารถนาแล้วต่อมาท่านบอกว่าศรัทธาคือความเชื่อมั่นไม่หวั่นไวหวฮิรีคือความละอายต่อบาปโอ ต, ตะปาคือความเกรงกลัวต่อบาปความเป็นพหูสูตร คือการสั่งสมข้อมูลสั่งสมพุทธพจน์เข้าสู่ในจิตใจของท่านความบากบัน่นซึ่งเป็นตัวความเพียรพยายามสติสมาธิและปัญญาอันเป็นส่วนแห่งการตัดสรุปเปรียบดังสายฟ้าจงสําเร็จท่านใช้คำว่าจงสําเร็จแก่ข้าพเจ้าจนกว่าจะบรรลุพ่อโพธิญาณอันนั้นคือความปรารถนาที่แรงกล้าของท่านพระพุทธลักขิตาจารย์และท่านก็ตั้งสมทับลงไปอีกว่า ข้าพเจ้าพึงละราคะโทสะโมหะทิฏฐิมานาวิจิกิจฉาพึงเป็นผู้ละได้อย่างเด็ดขาดซึ่งมนทินคือความตหณีและความริษยาท่านสมาทานไว้ในจิตใจของท่านให้มั่นคงว่าท่านจะละความตหณีและละความริษยาและจะเป็นคนไม่ฟุ้มเฟ้อและไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคและพยันอันตรายต่างๆและท่านก็กล่าวอธิษฐานธรรมของท่านโดยความตั้งใจมั่นอีกว่าข้าพเจ้าพึงเป็นผู้ที่ใครข่มเหงไม่ได้ ก็หมายความว่าท่านมีอัตยาศัยที่มุ่งมั่นที่ไม่สามารถจะทำจิตใจของท่านให้หันเหจากพระรัตนตรัยได้ท่านจะตั้งจิตใจให้มุ่งมั่นในพระรัตนตรยัยพึงเป็นผู้ไม่พร่องด้วยโภกทรัพทั้งหลายที่ได้ให้ไปแล้วโกพกทรัพย์และร่างกายที่ข้าพเจ้าได้แล้วพึงมีเพื่ออุปการละแต่ผู้อื่นแน่นอนนี่แปลว่าอะไรทรัพย์และอวัยวะท่านมีทุก อัตภาพที่ท่านได้ท่านจะเอาทรัพย์และอวัยวะทั้งหลายเพื่อเป็นอุปการะแก่สัตว์อื่นอันนั้นคือการตั้งอัธยาศัยที่มุ่งมั่นในการที่จะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อกูลต่อสัตว์โลกท่านบอกว่าข้าพเจ้าพึงเลี้ยงดูมารดาบิดาโดยชอบเป็นผู้นอบน้อมต่อผู้เจริญคำว่าเลี้ยงดูมารดา บ, บิดาโดยชอบเนี่ยเป็นคุณธรรมของพระโพธิสัตว์ แลนอบน้อมต่อผู้เจริญใครที่มีบุญคุณกับตนเองกัน ต, นงกนตนเองจะกราบจะเคารพจะนอบน้อมจกไม่คิดอักดันอยู่กับบุคคลเหล่านั้นพึงมีอุปการะมากตามหน้าที่และพึงทำความเจริญกับทั้งประโยชน์ให้แก่ญาติมิตรตลอดถึงผู้ร่วมเชื้อสายทั้งหลายของตนอันนี้แปลว่าท่านจะบำเพ็ญยาตถาจริยาให้บริบูรณ์ก็คือประพฤติบำเพ็ญประโยชน์แก่ญาติแต่ประพฤติเป็นไปในส่วนของกุศแลแธรรมนะ แล้ท่านบอกว่าข้าพเจ้าพึงได้เข้าเฝ้าพระนาถาเจ้าพระนามว่าเมตตยะพระพุทธเจ้าและได้บูชาเฉพาะอัตภาพของพระเมตตยะพระพุทธเจ้านั้นและพึงได้รับพยากรณ์ที่แน่นอนว่าผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตแน่นอนนี้แปลว่าท่านมุ่งมั่นมากว่าได้กราบแทบเบื้องบาทของพระบรมศาสดาพระพุทธเจ้าในองค์ต่อไปและขอให้ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้า พระเมตตาญาพุทธเจ้าว่าขอให้ท่านได้เป็นพุทธเจ้าเถอดแล้วท่านบอกว่าข้าพเจ้าพึงเป็นผู้อันมนทินอะไรอะไรในโลกทั้งหลายไม่แปดเปื้อนมนณินมนทินคือราคาทัสามโมหะมานะทิฐิทั้งหลายมนทินคือลาบสกาลเสียงสารเสริญเย็นยอทั้งหลายอย่าได้กระทบจิตใจของท่านขอให้จิตใจของท่านอย่าได้ฉาบติดมนทินเหล่านั้นประดุดังน้ำที่กลิ้งอยู่บนใบบัวเนี่ย ท่านตั้งอัธยาสายว่าท่านจะไม่ติดโลกท่านจะไม่ติดปัจจยามิตรอมิตรคือปัจจัย4คือที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยาและอาหารท่านบอกท่านจะไม่ติดโลกามิตรคือเกียรติยศชื่อเสียงที่ได้มาจากบุญกุศลที่ท่านทำและท่านจะไม่ติดวัตตามิตรถือพบชาติที่ดีทั้งหลายท่า น, นมนทินคือกิเลสทั้งหลายกินคราวคือกิเลสทั้งหลายจะไม่ฉาบติดปัจจญามิตรโลกามิตรและวัตตามิตร ท่านถึงประกาศบอกว่าข้าพเจ้าพึงเป็นผู้อันมนทินอะไรในโลกทั้งหลายไม่แปดเพื่อนยินดีในทานนกุศลยินดีในหลักจาระทานในใจต้องแข็งแรงยินดีในการจะสละทรัพย์ยินดีในการจะสละอวัยวะและยินดีในการจะสละชีวิตเป้าหมายก็คือยินดีในการจะสละกิเลสเพื่อได้มาซึ่งอนุปาทานบริณิพนธ์ท่านบอกข้าพเจ้าพึงมีความอดทนและพึงตั้งอยู่ในสัจจะที่ฐานนี้สําคัญมาก ท่านคำว่าอดทนในที่นั้นแปลว่าท่านรู้รู้ไหมว่าการเป็นพระเจ้านั้นต้องลําบากท่านรู้ฉะนั้นเมื่อท่านตั้งสัจจะวจีสัจจะที่ท่านพูดไปแล้วเนี่ยต้องเป็นปัจจัยแก่ปรมัตทสัจจะคือพระนิพพานถ้าตราบใดท่านไม่ได้มาซึ่งสัมมาสัมปวิยาณท่านจะไม่ถอนความตั้งใจสัจจะที่ท่านพูดไปแล้วว่าท่านจะได้มาท่านจะต้องได้ปรมาทสัจจะคือพระนิพพานถ้าตราบใดไม่ได้ท่านไม่เปลี่ยนคําพูด ถ้าไม่ได้มาซึ่งสัมมาสัมปทาณท่านไม่เปลี่ยนคำพูดถึงแม้จะเอาสาวกโพธิญาณมาให้ท่านท่านก็ไม่เอาถึงแม้จะเอาปเจกโพธิญาณมาท่านก็จะไม่เอาท่านจะเอาสัมมาสัมโิทานนั้นคือสัจจาธิฐานที่ท่านตั้งไว้อย่างมั่นคงเพื่อที่จะกระทําต่อไปและเป็นผู้ที่ประกอบด้วยเมตตาและเวขาตรงนี้สําคัญมากในยามทุกใจขึ้นมาเนี่ยถ้ากระแสของเมตตาธรรมในใจไม่ดีพอนี่ก็จะโกรธท่านท่านจะต้องประกอบด้วยเมตตา แล้วเวขาเมื่อท่านช่วยใครไม่ได้ท่านจะต้องวางใจเป็นกลางว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนแล้วท่านก็บอกข้าพเจ้าพึงกระทําการบริจาค5ประการอันเป็นทางแห่งโพธิญาณก็คือบริจาคทรัพย์บริจาคอวัยวะบริจาคบุตรบริจาคภรรยาและบริจาคชีวิตตรง น, นี้ท่านจะต้องบริจาคใหญ่5ประการให้ได้โดยไม่ได้ผิดพลาดและจะตัดกิเลสทั้งหลายแล้วเป็นผู้ชนะมารทั้ง5 ท่านจะบอกว่าท่านจะต้องประกาศและชนะมารทั้งหชนะกิเลสมารมานคือกิเลสชนะอภิสังขารมารมานคือกุศลกรรมเอากุศลกรรมชนะมัจจุมารคือความตายชนะขันธมารคือการไม่เกิดและชนะเทวดามารจากเป็นพระเจ้าในอนาคต พอท่านอธิษฐานอย่างนี้เบ็ดเสร็จท่านก็บอกว่าเมื่อพระเจ้าผู้คงที่ทากิจเสร็จแล้วปณิธานแล้วในะระหว่างกวางไม้สาระทั้งคู่หมู่มรรกษัตริย์ด้วยประการชนี้ครั้งนั้นล่วงไปแล้ว1700ปีที่ลังกานะโรหณะชนบทได้มีผู้เกิดในวงที่บริสุทธิ์มีเกียรติแผ่ไปทั่วผู้นั้นมีเชื่อพุทธรกฐฐิจเป็นอาจารย์ผู้สอนหมู่ภิกษุมีความรู้ในพระวิชัมดุดแรงพายุในท้องฟ้า ได้แต่งคัมภีชินารังกาลาภรณาคุณของพระชินเจ้าคือพระเจ้าผู้มีกําลังพิชิตพญา ม, มารหรือพยิมานทั้งหด้วยความรู้ดังดาบที่คมมันยิ่งตรงนี้ท่านบอกว่าขอเชิญท่านสายด้วยชนทั้งหลายจงรับเอาคัมภีชินารังกาอันเพราะจากท่านผู้ระลึกถึงพระพุทธคุณอันประมาณมิได้ของพระมุนีเจ้าพระองค์นั้นฉะนั้นคัมภีชินารังกาลาได้รับการอภิเสกจากหูบัณฑิตผู้ประเสรศิฐ ในแคว้นโจริยะตัมพะในลังการทวีเป็นคำภีที่หมู่ผู้วิจารมีวิจรารณญาณกาหนดด้วยดีแล้วใครๆไม่พึงสงสัยบอกอย่าไปสงสัยคำภีนี้เพราะคำภีนี้หมู่บรรัณฑิตทั้งหลายได้พิจารณาแล้วเป็นคมภีที่มีความละเอียดสุขมุมลึกซึ้งมากคำพีนี้เป็นบทร้อยกองประมาณ28ภพาราวานอันเป็นคำพีที่พระพุทธร ก, กิตาจารย์ผู้องอาจ ผู้อยู่ในแวดวงแห่งพระศาสนาที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นผู้มีเกียรติและสิริต่างๆรวบรวมไว้ในท้ายของคมพี์นี้ท่านเชิญชวนว่าท่านทั้งหลายเมื่อระลึกถึงพระธรรมมันเป็นกําลังเนี่ยจงบรรเทาการราคาตลอดการและผลที่บรรเทาการราคาตลอดการจงละมนทิมของจิตตลอดการถิดจึงพอพารนาอย่างนี้จะมองสรุปประเด็นในคัมภีร์ชินารังกาละว่าโดยเนื้อหาของคัมภีร์ชินารังกาละดีกา ที่พารนาประวัติของพระทธเจ้าตั้งแต่ประสูจนจนถึงปรินิพานพอสรุปได้ว่าพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแต่และพระองค์กว่าจะบำเพ็ญบารมีสิบอุปปา ร, ปรมีสิบและประมัตธรมบารมีสิบแล้วได้ตัดสู้นุตตะสามมะาสัมพลิญานต้องใช้เวลายาวนานพอตัดสู้แล้วก็ประกาศพระศาสนาแสดงทำโปรดสัตว์หรือโปรดชาวโลกไม่ได้หยุดหย่อน จนกระทั่งถึงวาระการสุดท้ายคือเสด็จดับขันธทวดินิพพานถ้าพิจารณาอย่างนี้จะเห็นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะมาตัดสู้ในโลกนั้นก็มาได้เพียงองค์เดียวในจักรวาลหนึ่งจะมาตัดสู้พร้อมกันสององค์ไม่ได้ที่มีได้เพียงครั้งละองค์เดียวนั้นไม่ใช่ว่าจะมีติดต่อกัน แบบองค์นี้ดับขันธบดิผพานไปถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าสรีระแล้วอีกองค์หนึ่งก็มาตัดสรุ้ต่อไม่ใช่อย่างนั้นกว่าที่จะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องใช้เวลาอย่างยาวนานมากจะมาตัดสรุปติดต่อกันไม่ได้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ในโลกธาตุหนึ่งนั้นมีพระพุทธเจ้าได้เพียงครั้งละหนึ่งองค์เท่านั้นนั่นคือความยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อศาสนาของพระเจ้าองค์หนึ่งสิ้นไปจนไม่มีเหลืออะไรแม้แต่อักษรที่จารึกไว้ในอริยสัจสีก็ไม่ปรากฏให้เห็นกว่าพระเจ้าองค์หนึ่งจะมาตรัสรู้นั้นต้องใช้เวลานา น, านแสนานานอย่างมากฉะนั้นพระเจ้าจึงเป็นบุคคลเอกเป็นหนึ่งไม่มีสองไม่มีใครเหมือนไม่มีใครวิเศษไปในด้านของพระพุทธคุณ ไม่ว่าจะในด้านของพระจริยาคุณในด้านของพระสตรีระคุณและด้านพระพุทธคุณเป็นผู้เสมอกับผู้ที่หาผู้เสมอไม่ได้คือมีพุทธคุณเสมอกับพระเจ้าที่ตรัสรู้ไปแล้วในอดีตมีพระคุณเสมอกพระเจ้าที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตที่จะสุดเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคาห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกลูแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พระคุณ um, mm. ของพระองค์มีมากกว้างขวางหาที่สุดไม่ได้พ้นวิสัยที่จะพารานาให้หมดสิ้นได้สุดวิสัยที่มนุษย์จะกล่าวพรลานาให้หมดสิ้นต่อให้เทพบรดาอินพรมทั้งหลายก็ไม่สามารถพรลานาพุทธคุณได้สิ้นสุดได้ซึ่งพระพุทธลักขิตาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าเมื่อภารณนาเนื้อความพุทธคุณทั้ง9้ามีอิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแต่ระบบพระไตรปิฎกแม้ทั้งสิ้นก็ไม่เพียงพอเพราะพระพุทธคุณทั้งหลายกำหนดประมาณมิได้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสิ่งที่นับไม่ได้มีเบื้องต้นและที่สุดเขตแดนไม่ปรากฏสี่อย่างคือหมู่สัตว์ไม่สามารถจะคำนวณ น, นับได้อากาศ ในจักรวาลทั้งสิ้นก็ไม่สามารถจะคำนวณ น, นับได้และอนันตจักรวาลทั้งหลายก็ไม่สามารถจะคำนวณและก็ น, นับได้พระพุทธญาณที่หาประมาณมิได้นี้ใครๆก็ไม่อาจจะรู้แจ้งได้บทแต่ละบทรวบรวมพระพุทธคุณทั้งสิ้นอันเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ปราศจากพยานย่อมไม่มีพระไตรปิดกทั้งสิ้นเป็นคาอธิบายพระพุทธคุณแต่ละบททั้งนั้น อันนี้คือความเข้าใจของท่านวัวฉะนั้นเมื่อท่านมีความเข้าใจอย่างนี้บ่งบอกให้เห็นชัดว่าพระไตรปิฎกแปดหมื่นสี่พันปฐมขันธ์นั้นคือพระพุทธคุณนั่นแหละคือความเชี่ยวชาญความสามารถของท่านพระพุทธระกิตาจารย์ที่ท่านมีความรู้อย่างกว้างขวางในคุณของพุทธเจ้าท่านบอกว่าเรื่องนี้เป็นที่ยอมรับของพระอัจถริยจารย์ทั้งหลาย ได้แต่งคาถาพารนาซึ่งในคัมภีรชินาลังกาลก็ได้นํามาประกอบก็คือว่าแม้หากพระเจ้าจะทรงมีพระชนมายุหนึ่งกับหรือยิ่งกว่า น, นั้นไม่ตรัสพระธรรมเทศนาเรื่องอื่นพารนาเฉพาะคุณของพระเจ้าทั้งสิ้นทั้งวันทั้งคืนสิ้นกาลนานจนครบหนึ่งกับถ้าคุณของพระเจ้าก็ยังไม่หมดสิ้นไปก็หมายความว่าถ้าพระเจ้าองค์หนึ่งจะตรัสสรรเสริญคุณของพระเจ้า อ, องค์หนึ่ง หรือพระเจ้าจะตัดสรรเสริญคุณกับพระเจ้าองค์พระ อ, องค์เองเนี่ยสิ้นกาลนานหนึ่งกับโดยไม่แสดงทำอะไรอื่นเลยใช้เวลาหนึ่งกับซึ่งยาวนานมากจะหมดสิ้นเปืองไปแต่พระคุณของพระเจ้านั้นก็ไม่หมดสิ้นข้อนี้เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าหากพระเจ้าจะพรรณนาสรรเสริญพระคุณก็พรรณนาไม่หมดสิ้นพระเจ้าองค์ปัจจุบันมาตัดสรุ้แล้ว ไม่เทศเรื่องอื่นไม่สอนใครจะพรารนาคุณของพระเจ้าที่ล่วงลับไปแล้วในดีก็พรารนาไม่หมดพระองค์จะดับขันธบรินิพานก่อนหรือพรารนาคุณของพระองค์เองก็เช่นกันมองอย่างนี้ต้องการให้พุทธบริษัททั้งหลายจะได้เข้าใจว่าคมภีชินาลังกาละเป็นคัมภีที่เก็บรวบรวมพระไตรปิฎกก็คือรวบรวมคุณของพระเจ้าใส่ไว้ในคมภีนี้ประดุดดังพระอบ แก้วหรือพระอษทองคำที่บรรจุคำสอนของพุทธเจ้าฉะนั้นจึงขออนุโมทนาในกุศลศรัทธากับชมลมพุทธคุณและผู้อ่านผู้อ่านคำภีชินาลังกาละที่มีจิตนอบน้อมจะถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแด่พระธรรมแด่พระริยาสงฆ์จึงขอเชิญชวน ให้พทธบริษัททั้งหลายได้ตั้งใจในการที่จะฟังพุทธคุณกถาที่พารณาไว้ในกัมพีชินาลังกาละการฟังพระธรรมนั้นอย่าไปฟังที่เสียงอย่าไปติดที่ตัวบุคคลผู้อ่านเป็นสตรีบางคนชอบฟังเสียงบุรุษบางคนชอบฟังเสียงสตรีแต่อย่าไปดําเลิคอย่างนั้นการฟังพระธรรมนั้นหนึ่งอย่าตําหนิเรื่องที่พูด ผู้ฟังต้องตั้งใจดีว่าเออเรื่องพุทธคุณนี้เราฟังมานานแล้วเราฟังมามากแล้วอย่าไปตำหนิถ้าตราบใดเราฟังคุณของพระเจ้ายังไม่แทงตลอดสัจจะทั้งสี่ยังไม่เดาบรรลุเป็นพระอรหันต์แสดงว่าการฟังของเรานั้นยังหยุดไม่ได้ฉะนั้นจะต้องฟังจนกว่ากระแสจิตใจของเรานั้นจะแนบสนิทในคุณของพระรัตนตรยัยเห็นสัจธรรมทั้งสี่ นั่นแหละถึงจะเรียกว่าเป็นการฟังที่ถึงจุดสุดยอดของการฟังแล้ว 2. อ, อย่าดูหมิ่นผู้พูดหรือผู้ที่กล่าวพระธรรมเพราะในขณะที่จิตของผู้กล่าวนั้นกล่าวด้วยความนอบน้อมพรรัตนะไตรใจของผู้กล่าวพระธรรมนั้นจะเป็นหญิงเป็นชายก็แล้วแต่จิตใจของท่านผู้นั้นประดุดดังพระบรมสารีริกธาตุแม้รู ป, ปกายของท่านผู้นั้นประดุดดังเจดียทองแม้ขณะนั้นนะ ท่านผู้นั้นที่มีศรัท ธ, ธาเต็มเปี่ยมในพระรัตนตรัยจึงควรแก่การสการะควรแก่การระลึกนอบน้อมบูชาอย่างยิ่งด้วยและประการต่อมาเมื่อไม่ดูหมิ่นผู้พูดและอย่าดูหมิ่นตัวเองว่าคำพีที่นาลังกาละฟังแล้วเข้าใจยากอย่าไปด âm ริอย่าไปตั้งจิตอย่างนั้นจงตั้งใจว่า เราฟังหนึ่งเที่ยวไม่เข้าใจเราก็จะฟังสองเที่ยวสองเที่ยวไม่เข้าใจจะฟังเรื่อยๆฟังเพื่ออะไรเพื่อบ่มศรัทธาความเชื่อมั่นในพระธรรมตรัยให้แข็งแรงมากขึ้นจนสามารถศรัทธาหรือฉันทานั้นเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อสมาธิที่มั่นคงแล้วเราจะได้ระดมความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ได้ถึงบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้ง เพื่อจะบ่มวิริยะสติสมาธิปัญญาให้แก่กล้ายิ่งยิ่งขึ้นไปฉะนั้นตรงนี้อย่าไปดูหมิ่นตัวเองว่าตนเองอายุมากหรือตนเองไม่มีเวลาเป็นต้นประการที่สามขจัดจิตที่ฟุ้งซ่านจะให้จิตที่ฟุ้งซ่านข้อที่4อย่าไปฟุ้งซ่านทําจิตให้เป็นสมาธิให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพุทธเจ้าประการที่5เมื่อฟังคุณของพทะเจ้าให้ตั้งโยนิสงมรสิการ ใส่ใจด้วยปัญญาอันชอบพิจารณากระตุ้นเตือนความคิดอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะได้เป็นปัจจัยแก่การที่จะทำให้ตนเองนั้นแนบสนิทกับพระรั n นตรยัยจะนั้นให้สมาทานในใจว่าข้าพเจ้าจะฟังเนื้อหาสาระในพุทธคุณในคำพีชินาลังกาละนี้และจะตั้งใจฟังด้วยความเคารพด้วยความนอบน้อมด้วยความผ่องใสให้มนสิการสาคัญในใจตลอดว่า ข้าพเจ้าจะทํากระแสชีวิตของตนเองให้มั่นคงในคุณของพระรัตนตรยัยและจะทําจิตใจของตนเองนั้นให้ยิ่งใหญ่โดยการรับเอาคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาเป็นหลักนําทางของชีวิตเราจะเป็นพุทธบริษัทที่ดีในการสมาทานในคุณของพระรัตนตรัยให้มั่นคงและการฟังชินารังการะในครั้งนี้ จงเป็นปัจจัยก่กับการเคลื่อนหนุนให้กระแสะชีวิตของข้าพเจ้านะ่พ้นจากชาติชลาพยาธิมรณะได้มาซึ่งอนุปาธาปนิพันธ์เกี่การพ้นทุกข์อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเมื่อตั้งจิตใจให้มั่นคงในคุณของพระราชนตรัยและการฟังจึงจะเกิดประโยชน์ยินขอเชิญชวนเราท่านทั้งหลายจงตั้งใจในการที่จะฟังพระพุทธคุณคาถาจากทางชมลมที่ได้จัดด้วยความนอบน้อมในคุณของพระราชนตรยัย ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาหวังว่าในเนื้อหาสาระในพุทธคุณในคมพิินาลังกาลานี้จะอำนวยประโยชน์ให้เราท่านทั้งหลายได้เป็นผู้ตั้งมั่นจเจริญในทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลเดินตามรอยบาทของพระศาสดาประกาศตนเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงออกจากความเป็นพุทธบริษัทที่ยังไม่แท้จริงเข้าถึงความเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริง แล้วถวายสการละบูชาทั้งกายกรรมก็นอบน้อมวจีกรรมก็นอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าแม้มโนกรรมหรือจิตใจก็มีความมั่นคงในพระรัตน a ไตรที่สุดนี้ขอคุณของพระรัตนาไตรคือพุทธรัตนธรรมารนาและสังขรัถนะจงเป็ น, น, นปัจจัยเกื้อห น, นุนให้กับทางชมรมพุทธคุณตลอดถึงผู้ร่วมในการอ่านคำพีชินาลังการละตลอดถึง ผู้ฟังทั้งหลายที่ตั้งใจจะฟังคุณของพระเจ้าในครั้งนี้จงเป็นผู้ที่เข้าถึงพระรัตนตรยัยคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังครัตนะจงมีพระรัตนตรัยเป็นเครื่องกำจัดภยัยเป็นเครื่องกำจัดวัตทุภัยในอบายภูมิภัยในสังสารวัฏภัยในการเวียนว่ายไดยเกิดจังหมดสิ้นไปด้วยอานาจของ พุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะกาจัดภัยของท่านทั้งหลายให้พ้นจากชาติคือความเกิดชะลาคือความแก่พยาธิคือความเจ็บไข้มระนัคือความตายพ้นจากความโสกความล่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความแคบแค้นใจทั้งหมดทั้งสิ้นและจงให้ท่านทั้งหลายจงได้มาซึ่งอนุปาทาผลินิพานคือการพ้นจากวัตทุกขพ้นจากกิเลสด้วยการทุกท่านทุกประการเถิด